แล้วก็บางทีก็ต้องหาทางออกมาอย่างพยาาัสสะเนี่ยตอนที่เป็นคารวาสก็อยู่ในปราสาทสามฤดูนะคล้ายๆกับเจ้าชายสิทธัตถะเพราะว่าพ่อแม่นีรวยแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีความสุขนะกายก็สุขมีการปนเปื้อนทั้งตาทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมี ดนตรีขับกลมมีผู้หญิงมาปลนเปลอแต่ว่าใจเนี่ยไม่รู้สึกถึงความหมายของชีวิตท้ายก็ต้องเดินนะหนีออกมาจากบ้านก็ไปเหตุให้ะไปพระพุทธเจ้านะเพราะว่าพอเดินจากบ้านแล้วก็ไม่รู้ไปไหนก็เดินตุลัดตุเลไปจกนกระทังเข้าไปในป่าอิศิปฏตนะ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 ความสุขจากธรรมะพระพัิยะก็เหมือนกันนะพระพัิยะเนี่ยเคยเป็นเจ้าชายนะแล้วก็มีอำนาจในการาว่าการในกรุงกบิลละพั์เพราะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็จะพัตต์พลูนะออกบวชตามญาติคนอื่นๆไม่ได้มีศรัทธาเลยหรอก แต่และ ว, วันหนึ่งนะหลังจากที่ปฏิบัติอย่างจริงจังอยู่ได้ไม่กี่ปีอะนะท่านก็บรรลุธรรมมีวันหนึ่งท่านก็บวชปรัปรรบขึ้นมาว่าสุขหนอสุขหนอเพื่อนพระก็คิดว่าท่านนึกถึงความสุขสมัยที่ยัง อ, อยู่ปราสาทราชวังก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถาม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 แต่ก็เหมือนกันแหละต้องอาศัยใจเป็นสำคัญนะเราเคยนะอาจจะเคยผ่านนะหรือเคยเห็นรูปบางรูปเราก็มองว่าเป็นรูปผู้หญิงแก่ๆ แ, แต่คนเนี้ยมองว่าเป็นรูปหญิงสาวนะอันนี้มันมีรูปนะให้เราเห็นอยู่อันนี้รูปแบบนี้ก็แพร่หลายไปทางเฟ e บุ o k ทางไลน์เหมือนกัน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 มีตายเยอไม่พอนะตามองตาเปิดแต่ตาอาจจะไม่เห็นนะไม่เกิดจักขรวิญญาณนะอันนี้เรียกว่าภาษาพูดทำไม่ได้ว่าไม่มีการรับรู้รูปที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเพราะใจเนี่ยมันไปสนใจอย่างอื่นไม่ใช่ใจลอยนะใจมันก็สนใจภาพที่อยู่ข้างหน้าแต่ไปสนใจลูกบอล น, นะมันก็เลยไม่เห็นออกอริลลานะ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 อาศัยการผ่าศพของสัตว์นะสมัยนั้นเนี่ยมันผ่าศพมนุษย์ไม่ได้ก็ต้องผ่าศพของสัตว์นะไม่รู้สัตว์ชนิดใดนะเห็นท่ากรีบก็เลยสอนกันเรื่อยมาจกนกระทั่งเมื่อสักสามร0อยสี่ร้อยปีมาเนียมันมีหมอชาวอังกฤษชื่อฮาวิเขาเนี่ยลงทุนผ่าศพนะคนนะแล้วพบว่ากรีบ ปอดของคนมมีสี่กรีบนะก็พยายามบอกคนนะว่าไอ้ที่สอนกันมาเป็นพันๆปีมันผิดปอดคนไม่ได้มีห้ากรีบมีสี่กรีบขนาดเนี่ยหลักฐานมันเห็นอยู่ตาตานะว่าปอดคนมัมีสี่กรีบคนยังไม่ยอมรับเลยเพราะอะไรเพราะในใจเนี่ยมันเชื่อว่ามีห้ากรีบนะไอ้สิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยนะแม้แต่ แม้แต่จะแจมแจ้งแดงใจแต่คนไม่ยอมรับเพราะว่าความเชื่อมันไปอีกทางหนึงฮาวีก็พยายามอธิบายสุดท้ายก็เลยบอกว่าเออคงเพราะสมัยนั้นเนี่ยคนมีปอดห้ากลีบแต่สมัยนี้คนมันเหลือปอดแค่สี่กลีบเออก็เลยเอ้าก็เลยกลมกล่กันไปได้นะเลิกเถียงกันนะคือหมายความว่ากาเล็งก็ถูกนะที่บอกว่าปอดคนมีห้ากลีบแต่โนท์มันสมัยก่อนแต่สมัยนี้คนมีปอดสี่กลีบนะ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 คำพีไบเบิลเนี่ยนะมีการตีความว่าเนี่ยโลกนี้แบนแล้วพนนี้ก็เคร่งศาสนาก็ต้องเชื่อนะเพราะถือว่าคำพีไบเบิลเนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าว่ายังไงก็ต้องก็ต้องอย่างนั้นแหละโลกแบนขนาดเนี่ยเอาภาพถ่ายของนักบินอวกาศเนี่ยที่โคจร อ, อยู่ในรอบโลกนะยานอวกาศล้ลำแล้วลำเล่าก็ถ่ายรูป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 เชื่อแล้วว่าโอบามาเนี่ยเกิดที่แอฟริกานะสูติบัตเอามายืนยันยังไงก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนใจคนเหล่านี้ได้เพราะว่าใจเนี่ยมันเชื่อแบบเชื่อตรงกันข้ามไปแล้วแม้แต่เหตุการณ์11บกัญยานะซึ่งเนี่ยพรุ่งนี้ก็จะครบสิบห้าปีเนี่ยคนจำนวนมากก็ยังเชื่อเลย ว, ว่ามันเกิดจากฝีมือ c ี a เบ้างเกิดจากฝีมือพวกยิวบ้างเนี่ยไม่ใช่เกิดจาก าชาวซาอุนะที่ทยิดเครื่องบินแล้วก็ขับเครื่องมีไปชนตึก World Trade อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นะชี้เห็นว่าทำทั้งหลายเนี่ยนะมันมีใจเป็นใหญ่จริงๆนะมีใจประเสริฐสุดนะแล้วคราวนี้มันโยงกับเรื่องธรรมะยังไงนะมันโยงกับเรื่องธรรมะ ก, ก็เพราะว่าแม้พระพุทธเจ้าจะสอนนะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง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 ก็เลยไม่ยอมรับเรื่องพัตรัยรักทั้งนั่งที่กดพัตรัยรักนี่ก็แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีไม่ต้องดูอื่นกายก็ดูจากร่างกายเราเนี่ยะมะันก็เปลี่ยนแปลงไม่สามารถจะอยู่ในอิเลียบทใดอิเลียบบนหนึ่งได้นานๆนะนั่งไปสักพักก็ต้องขยับขนาดเองหลังนะก็ยังเองไม่ได้นานนะก็ต้องลุกขึ้นมายืน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 นี่ขนาดอะไรที่มันเห็น ง, ง่ายๆชัดๆยังไม่ยอมรับเลยนะเช่นกรีบปอดคนเนี่ยมีสี่ไม่ใช่ห้าหรือว่าโลกเนี่ยมันกลมนะไม่แบนเนี่ยขนาดเห็นชัดๆแบบนี้ยังไม่ยอมรับเลยนับภาษาะลรกับสิ่งที่มันเป็นดูเหมือนจะลึกกว่านั้นนะเช่นอันนี้จังทุกขังอนัตตานะใจเรามันก็ปฏิเสธนะแต่ว่าฝึกได้นะใจเราเนี่ย การฝึกให้ยอมรับนะเรื่องพระไตรลักษณ์อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเช่นการไปงานศพการดูศพนะทีะ่ที่แปดเปลี่ยนไปหรือแม้แต่มาดูอะไรที่มันดูเดือด น, น้อยกว่านั้นก็ยังได้นะเช่นกลับมาดูกายดูใจนะการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยคือการฝึกให้ใจเนี่ยมาเห็นความจริง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 คาเดียวเพื่อเท่า น, นี้กลับพระ